จะมีการตอบแทนอันใดเล่านอกจากความดีในปรโลกดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธและอื่นจากสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้น และยังมีสวนสวรรค์อีกสองแห่งดังนั้นด้วยบุญคุณอันไดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธสวนสวรรค์ทั้งสองนั้นเขียวอุน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 เคยแตะต้องตัวนางมาก่อนเลยดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธพวกเขาจะนอนเอกขเนกบนหมอนอิงสีเขียว